225อาการของรูปกับนามศึกษาได้จากกิจนิยามเพราะการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ต้องปฏิบัติในปัจจุบันจึงได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาการของพลังงานกิจนิยามของตนของตนจริงที่มันกำลังเกิดอาการในปัจจุบันนั้นๆที่มันเป็นเหตุคืออาการของตันหาแล้ว จัดการภาวะที่เป็นโทษอาพิสังขารนั้นๆให้สิ้นไปได้จริงซึ่งการกำจัดนี้ท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขารด้วยป่าหานป่าทานภาคเพียรกำจัดตัวสมุทัยนี้ให้สำเร็จสำรณ์ตามหลักป่าหานหวิกขมพณะนะตะทางคะสมุทเฉ ท, ทะปฏิปัจฉินิสรณะนะ เมื่อกาจัดได้ท่านก็เรียกว่าทำให้เป็นเนคขมมะสิตเวทนามีผลอัจิยิยถังเป็นเนคขมมะสิตเวทนา18ไปตามลำดับอัจฉิหูตังผู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเวทนาที่เป็นมะโนปวิจารสามของเคหะสิตเวทนา18แและเนคขมมะสิตเวทนา18 เพราะแยกเวทนาในเวทนาได้ปฏิบัติธรรมมีผลจริงอัตย่อมรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกิตเจตจจสิกรูปนิพพานเป็นประมตทธรรมแท้และภาวะที่กำจัดก็กำจัดเฉพาะของภาวะนั้นๆคนผู้ปฏิบัติจึงต้องแม่นคมลึกชัดตรงในความเป็นอาการลิงคะนิมิตอุเทศ ของรูปกายและของนามกายอย่างสำคัญจริงจึงจะพ้นวิปลาสสาสัญญาจิตทิฏฐิและพ้นวิปลาสสสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนสิ่งที่ไม่น่าพึงใจอสุภะว่าน่าพึงใจสุภะ พระไตรปิฎกเล่มย1ิดข้อ49่ได้สมบูรณ์ผู้มีวิปัาส3อยู่ในตนจึงจะสามารถเรียนรู้ความวิปราสของตนแล้วกรรมจัดเหตุที่มันพาเกิดให้ได้จึงจะพ้นวิปาัาส4ได้แน่แท้เคหะ4ีตะนั้นหมายถึง ภาวะที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางโลกธรรมหรือมีโรกียารมณ์อันได้แก่ผู้เสพรสทางลาบยศสันเรินสุขที่หลงกามและสุขที่หลงอัตาสัมผัสโลกธรรมแล้วมีขิดทารติหลงรสโลกีย์อารมณ์หรือความรู้สึกนี้เองที่เรียกว่า เคหะสิตาเวทนาที่พระพุทธเจ้าให้ศึกษาแล้วต้องปฏิบตัติตนให้หลุดพ้นออกจากรสของอารมณ์เคหะสิจานี้ให้ได้หมดสิ้นเกลี้ยงการปฏิบัติให้ตนออกจากความรู้สึกเคหะสิจานี้ได้ก็คือต้องเรียนรู้เนคขมะสิตาเวทนาแล้วล้างความรู้สึกเคหะสิตาออกไปจากเวทนา หรือออกจากเวทนาส่วนที่เป็นเคหะศิตะมาสู่ความเป็นความรู้สึกเนคขมมะสิตะกระช่างเที่ยงแท้ยั่งยืนให้ได้สมบูรณ์นั่นเองจึงจะเป็นผู้มีจิตนิยามที่มีเนคขมมะสิตะอุเบขาเวทนาเหมือนความรู้สึกของผีช้ยามที่มันไม่มีสังขารวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาดจึงมีชีวิตที่สบายไม่มีสุขไม่มีทุกข์